ในครั้งพุทธเจ้ามีโยมคนหนึ่งมีโยมคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มไปหาทำงานเน่เมื่อกับใครๆว่าจ้างที่ไหนก็เขาไปทำงานลักษณะอย่างนั้นแหะใครๆว่าทำงานไม่เลือกใครว่าจ้างที่ไหนก็ทำแต่วันนั้นก็ไปสมัครงานเป็นคนเลี้ยงบัวให้เศรษฐีอาณาถาเบติกะเศรษฐี คือพวกเศรษฐีเขาก็มีวัวเหมือนกันนะเลี้ยงขึ้นมาเขาก็ไม่ใช้ฆ่าหรอกเขาเลี้ยงเพื่อกินนมรีดนมบัวมนั่นแหล อ, อของใครของเราเหมือนนแต่เขาก็เลยหาคนเลี้ยงบัวทีนี้ก็สมัครสมัครมาเป็นคนเลี้ยงบัวให้เศรษฐีเศรษฐีก็ให้รางวัลอาหารและรางวัลเหมือนกับคนทํางานทั่ ว, วไปแต่พอตอนเช้าคนทั้งหลายทํางานเสร็จแล้วเขาก็ไปทํางานของใครของเรา ตอนเช้ามาก็ทานอาหารพร้อมกันอแล้วก็ห่ออาหารให้ตอนเที่ยงพอตอนเย็นมาแล้วก็มาทานอาหารพร้อมกันแล้วก็แยกย้ายกันหาที่พักตื่นเช้ามากะมาทานอาหารร่วมกันพนักงานทั้งหมดของเศรษฐีตอนเที่ยงอ่ะห่อข้าวให้ห่ออาหารให้เอาไปกินในหน้างานพอตกตอนเย็นกลับมาทานอาหารพร้อมกันอันนี้คือท่านเศรษฐีเลี้ยง แต่ทุกวันพระที่เนี่ยท่านเลี้ยงแต่ตอนเช้าพอตอนเช้ามาเลี้ยงอาหารพร้อมกันแต่ตอนเที่ยงไม่ห่ออาหารให้เพราะทุกคนให้รักษาศินอุโบสถรักษาสินแปดตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วเนี่ยในวันนั้ น, นพอขนาดจะหย่านมเลยเขายังไม่ให้กินละไม่ให้กินไม่ให้กินนมแม่แล้วเมื่นก้ะไม่ให้กินนมละให้กินแต่พวกน้าตาลพอหย่านมได้ละ ให้รักษาสิ้นแปดเลยในว่านเศรษฐีท่นเคร่งถึงศาสนาขนาดนั้นอะ่ะอนณาถาบิติกาเศรษฐีเนี่ยแต่นั้นก็ชายหนุ่มคนนั้นขอเข้ามาสมัครงานใหม่พอทํางานตอนเช้าก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปกันใครก็ห่อข้าวอย่างใดจะห่อข้าวก็ห่อไปพอได้ตกตอนเย็นมาคนเงียบทีเนี่ยไม่เห็นใครมาทานอาหารเลยมีแต่ตัวเองเข้ามา เศรษฐีท่านก็สั่งไว้บอกว่ า, วาคนงานเขาไม่รู้ก็ทําอาหารให้เขานะให้เขามาทานอาหารคนนั่นแหละคนเลี้ยงบัวน่ะเขายังไม่รู้ขเขาอาจะหิว ต, ตอนเย็นก็ทําอาหารเลี้ยงเขานะท่านเศรษฐีท่านก็สั่งไว้เป็นเพราะท่านมีเมตตาต่อทุกคนเนี่ยจากนั้นก็ครัวทั้งคนครัวก็ทำอาหารไว้ ชายหนุ่มคนนั้นก็นมาถึงไม่เห็นใครอต่เงี้ย <Yeah. S 1> อะก็เลยถามถามเอกคนทําครัวน่ะเอา้าทำไมวันนี้ไม่เห็นคนมาทานอาหารกันแต่ก่อนอยุู่เยี่ยไปหมดเลยเนี่ยแม่ครัวเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพระท่านเศรษฐีให้ทุกคนรักษาอุโบสถศีลให้ทานอาหารมื้อเดียวอวิกาลโภชนาะเวรมณี คือไม่ทานอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปท่านให้รักษาศีลอุโบสถรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อวศิลป์ท่านให้บาเพ็ญศีลอา้าวถ้าผมจะรักษาเดี๋ยวนี้ได้ไหมทางแม่ครัวก็บอกว่าไม่รู้มันกันนาะนรักษาศีลตอนเย็นเนี่ยคิดเวลาไหนคิด ข, ขึ้นเวลาไหนก็เป็นจะรักษาเลยเน่ย คงจะไม่ได้มั้งเพราะว่าไม่ได้รักษามาัา แ, แต่เช้าเนี่ยเอแต่ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ่ะไปหาท่านเศรษฐีไป<ม>ไปถามท่าน<ม>ท่านก็ยังอยู่ชายหนุ่มคนนี้ก็เลยเข้าไปหาเศรษฐีท่าน เ, าเศรษฐีครับท่านอนาณาถาบดีครับผมเพิ่งทราบเมื่อเดี๋ยวนี้เองว่าทุกคนไม่มาทานอาหารเนื่อเพราะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดนี่ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เอง เพราะนั้นผมจะขอรักษาสินแปดได้ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เลยท่านเศรษฐีก็บอกว่าอา้าวเรื่องสร้างคุณงามความดีเนี่ยไม่เลือกการสถานที่เวล่วลาําเรารักษาเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยแล้วงั้นอไม่ได้เลือกการเวลาด่าเรื่องสั่งสมการสั่งสมคุณงามความดีความชั่วก็เหมือนกันน่ะถ้าทําเวลาไหนก็เป็นชั่วทั้งนั้นคิดขึ้นมาก็ชั่วแล้วพูดก้นไปก็ชั่วทำกันไปก็ชั่ว เพราะเหตุไรเพราะวันเออมันทําเวลาไหนมันก็ชั่วเวลานั้นพอทาความชั่วถ้าทําความดีทําเวลาไหนมันก็ดีเวลานั้นเอาทําได้รักษาศีลได้เล้วถ้างั้นผมขออตั้งรัตเจตนา ต, ต, ต่อท่านนี่แหละมันกระผมจะรักษาศีลอุโบสถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเออเอ า, เอารักษานะอานาถามดีอธิบายให้ฟังศีลแปดนั่นคืออะไรเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพอแยกย้ายกันให้ภาวนาเนาะ แก่ก็ไปหาที่พักแกก็คนคือทํางานมาทั้งวันใช่ไหมมันหิวที่นี่มันหิวมันไม่เคยอดอีกต่างหากเหมือนกันหิวก็อดเหมืนกันเถ อ, อพรารักษาศีลแล้วเนี่ยตังสัตร์แล้วนี่พอหิวหิวเขา้ามันปวดท้องทีนี่โอ้ปวดท้องทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ว่างั้นเน่ะปวดท้องมากไอ้พวกพนักงานเขาก็ อ, าอ้าวอันนี้ปวดท้องแรงเหมือนกั น, นก็เลยไปหาเศรษฐีไปหาเศรษฐีว่าเอา้า มันเขารักษาเอาโภสุเอากินกินกินข้าวซะก่อนก็ได้เพราะว่าพ่อเจ้าไม่เคยเน่ยมันชายหนุ่มคนนะ่ะโอ้ยในคณะขนารักษาสินเพียงครึ่งวันเทน่านี้ก็ยังจะให้ขาดสินอีกตายเป็นตายผมไม่ยอมกินว่างั้นเอผมยอมตายดีกว่าเอาถ้างั้นก็กินพวกเพศัตว์ว่างั้นพวกน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลได้โยกินน้ำอ้อยโอ้น้ำอ้อยก็จะไม่กินจะไม่มีให้จะไม่ให้อะไรตกท้องเลยว่างนั้นะ เนีเพราะว่าจะรักษาศีลให้บรุษุดกลัวมันจะผิดอีกไว้เงั้นแต่ทางทีนี้ก็ไม่รู้พวกนั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงพอต่อมามันก็คงจะลําไส้ทะลุอะไรก็ไม่รู้แล้วเงั้นะไอ้ไอชายหนุ่มคนนั้นก็เลยตายมย่างเรักษาศีลเพียงครึ่งวันตายอย่างั้นี้ยพอตายไปแล้วนี่เพราะอันนี้สงสีเพียงครึ่งวันไว้เงี้ะไปตายตายไปแล้วไปเกิดเป็นลุขะเทวดาเด้ อ่าเป็นลูกขะเทวดาเทวดาเนะี่ยมีหลายจําพวกภูมิมะเทวดาคือพวกอยู่ตามจอมปวกภูมิมิสถานตามถ้าตามภูผาปา่าไม้อั น, นเรียกว่าอยู่ตามภูมิเหมือนกันไม่ใช่ต้นไม้เนะี่ยอยู่ตามเนินดินเนียลักษณะอย่างนะั้นะเนินทรายนะอันนี้เรียกว่าภูมิมะเทวดาลูกขะเทวดาคือเทวดาอยู่ตามต้นไม้สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ ต่างๆแ ต, ต, ตนี้ว่าลุกคเทวดาแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้พอตายไปแล้วไปเกิดเป็นลุกขคเทวดาไปอยู่ในต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาในต้นไซนั้นเหมือนกันเทนี้พวกฤาษีอยู่ในป่าอ่อยู่ในป่าดงเหมือนกันแ่แต่นี้เอได้ยินข่าวทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วนะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคาสั่งสอนแล้วพวกเราน่าจะเข้าไปฟังเข้าไปศึกษากับ ท่านเหล่านั้นเอจะไปศึกษากับพระพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมกันหน้านี้ก็เป็นหน้าที่จะเข้าไปแล้วเพราะจวนจะเข้าหน้าฝนพวกเราก็ขาดพวกเกลือไม่มีเกลือจะกินเลยคนเราเนี่ยไปอยู่ในป่าดงพงไผ่ไม่มีเกลือกินเนี่ยเกลือนะไม่ใช่วัตถุธรรมดานะถ้ามันขาดนะจะรู้สึ ก, กบ้างกันเถอะแต่ว่าของทิ้งๆเนาะแต่ว่าเกลือเนี่ยนะแต่มนุษย์ขาดเกลือเนี่ยอยู่ลําบากเหมือนกันนะ อันนี้พวกลือสีเขาอยู่ในป่านี่ยเาก็ขาดเกลือเขาก็เลยจะเข้ามาหาเกลือกินในเมืองเหมือนกันแล้วก็พร้อมกันก็มาสืบสอบฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเสียงระบือเรื่องลือไปว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเหมือนกันทีนี้ก็เขาก็เดินทางมาทางมาประมาณอยู่ในต้นไม้ที่จะเข้าในเมืองใหญ่เหมือนกันเป็นอยู่ในป่าดงปากตรงเหมือนกันอยู่ในระวางปากตรง ระหว่างปากตรงก็เข้าในเมืองอยู่ในขับขับคลาการเหมือนกนเอะตอนนี้มีต้นไม้ต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งเอ่อตอนนี้ลือสีทั้งหลายก็มาทั้งห้าร้อยคนมือนมาลงโอ้ตายหิวน้ําหิวน้ําหิวมากเหมือนกนเอะเออไม่รู้จะหาน้ําที่ไหนเพราะตัวเองก็เดินมาจากป่าตรงคู่คนก็ไม่เห็นผ่านไปมาแต่มาที่นั่นก็นมาก็ก็เลย เอาบริขารของใครของเราก็วางลงไปกันหนุนหัวนอนแบบนั้นแต่นอนก็ น, นอนไม่ราบเรียบไม่ได้อาบน้ำไม่ได้กินไม่ได้กินน้ําด้วยสินี่หัวหน้าลือศีกลับอกว่าเทพเจ้าเหล่าเทวาเอ้ยพวกข้าเดินทางมาพวกข้าบําเพ็ญพจนอยู่ในป่าดงพงไพรักษาศีลแต่บัดนี้จะเข้าไปในเมืองในกรุงเอเพื่อจะได้ไปศึกษา ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกข้าพเจ้าจะเข้าไปเพื่อฟังธรรมต้นไม้ต้นเนี้ยต้นไซใหญ่ตันนี้ใบหนาดกกิ่งก้านรู้สึกว่าสมบูรณ์งามมากข้าพเจ้านึกว่าต้นไซตัว น, นี้คงจะมีเทวดาคงจะมีเทวดาสิงสถิตยอยู่อยู่ต้นไซต้นนีเ้เพราะนั้นเทวดาที่รักษา จูต้นไทรตัวนี้คงจะเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เพราะฉะนั้นพวกผู้ฆาทั้งหลายทั้งห้าร้อยเนี่ยเดินทางมานี่หิวน้ําเหลือเกินเหมอนไม่มีน้ําดื่มขอให้เทวดาบรรดา น, น้ําออกมาให้พวกผู้ฆ่าได้กินได้ดื่มด้วยเถิดวันน่ะหัวหน้าฤาษีเหมือนกัะไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครเางือนกันหันหน้าไปเอกเทวดาอารักษ์อะ้รทีนี้เออเพราะมันไม่มีอันจะกินและน้ํา พอจากนั้นมากิ่งไส้กิ่งหนึ่งมันไหลน้ําออกมาจากกิ่งไส้หรือไงไหลเจาะเจาะเข้ามาโอ้โอลือศีกไ็ได้กินได้ดื่มน้ำํำพอได้กินได้ดื่มน้ําแล้วก็พอต่อมาตอนเช้ามาลือศีโอเทวดาอารักษ์เอ้ยผู้ฆ่านี่เดินทางมาเหนื่อยเหลือเกินได้กินน้ําแล้วกันอย่าว่าเป็นอย่างอื่นเถิดอยากจะกินข้าวอีกทีนีงั้นเอนเทวดาก็ เนลามิตรเป็นห่อข้าวหยดรดนับๆปูมาวกันเถอะพวกนั้นก็ได้กินข้าวอีกลสีวันท่นได้กินข้าวอีกแล้วโอ้ยพูกข้าทั้งหลายหัวนาลือศีว่าเอเห็นต้นไม้แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ดกใหญ่เอน้ําก็ได้กินได้ใช้ได้ดื่มแล้วข้าวก็ได้ทานแล้วแต่พูกข้าเลยอยากจะชมบารมีอยากจะเห็นเทวดาเป็น ลักษณะยังไงนาะเทวดาปรากฏให้ผู้ฆ่าได้เห็นด้วยเท่านั้หรือศีว่านะเออพวกฤาษีต่างอขอร้องเหมือนกันเถอะเทวดาเลยปรากฏตัวให้เห็นฮะปรากฏตัวออกมาจากต้นใจให้เห็นอบอกว่าโอ้พวกฤาษีก็ยกมือไหว้เทวดาท่านได้ทําบุญอะไรทําไมจึงได้บุญหนักสักใหญ่ถึงขนาดนี้มานะ่ะ ทางเทวดาก็บอกว่าโอ้ยอายจะพูดเหงือนอย่าให้พูดเถอะมืนไมไม่ต้องอายเราพูดให้ผมฟังพวกข้าพเจ้าต้องการฟังพวกข้าพเจ้ายินดีฟังขนาดนี้จะไปอายได้ยังไงปุญนตักศัก์ใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่น่าจะอายแล้วเหมอนเกินกว่ามนุษย์ปนาที่จะทำได้แล้วงหมนเทวดาเลยก็บอกว่าผู้ค่ารักษาศีลเพียงครึ่งวันเองเหือน ก็เลยพูดให้ฟังนี่แหละในกรุงสวัสดีเนี่ยผู้ฆ่าเป็นชายหนุ่มบ้านนอกไปหาสมัครงานก็เลยได้เข้าโตเตก็เลยไปสมัครงานกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็เป็นพุทธอุปถากพพุทธเจ้าอนาถาบิตรีเศษฐีท่านก็ให้คนในบ้านรักษาศีลทุกวันพระแปดข้ามสิบห้าามข้าพเจ้าก็ไม่รู้ก็เลยไปอยู่กับท่านพอไป เขารักษาศีลหมดแล้วตอนเย็นเพราะไม่มีใครมาทานอาหารเย็นผมก็เลยผู้ค่าก็เลยเ่เข้าไปก็เลยถามถามเศรษฐีถามถามคนรับใช้เศรษฐีคนในบ้านเศรษฐีเรขาก็เลยแนะนําไปหาเศรษฐีก็ได้ไปกราบเรียนถามเศรษฐีเศรษฐีก็ว่ารักษาศีลครึ่งวันก็ได้ฮะผมก็เลยเข้าไปเจ้าก็เลยรักษาศีลครึ่งวันด้วยทุกเวทนาอะไรก็ไม่รู้ธาตุขันก็เลยสู้ไม่ไหวก็เลยตายในคืนนั้น ข้าพเจ้าตายด้วยความตั้งใจตายตายด้วยความสัจจะจริงจีตตายถึงจะถึงจะตายข้าพเจ้าก็ไม่ไม่ให้ศีลขาดอย่างนั้นเถอะพอรักษาศีลเพียงครึ่งวันแล้วจะให้ขาดได้ยังไงอพงพอท่านข้าพเจ้าก็เลยตายพอตายแล้วก็โดยอเนิสงส์ศีลของข้าพเจ้าเพียงครึ่งวันนั่นแหละได้ให้นมนตรบันดาลให้มาให้ข้าพเจ้ามาเกิดอมาสิ่งสถิตอยู่ณนะตนใจตนนี้มาเนี่แหละเทวดาอธิบาย จากนั้นพวกฤาษีทั้งหลายทั้งอดเดินทางต่อมาก็ได้บวชพอได้บวชมันได้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้สงสินเพียงรักษาเพียงครึ่งวันก็ยังเกือ้อกูลหนุนอให้แก่ดวงวิญญาณเพราะนั้นอย่าอย่ตั้งอยู่ในความประมาทควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าว่าใครรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วนั้นอั น, นิสงฆ์จะขนาดไหนเพียงอันนสงฆ์เพียงครึ่งวันเท่านั้นก็ยังบรรดาลให้เป็น ไปเป็นรุกข้เทวดาได้ฮะเพราะนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่มีเทวดานี่เพราะนั้ น, น, ว พ, น, นพวกเราหนะ้าปลูกต้นไม้ขึ้นมากันนะั่นแหละเป็นที่พึ่งพาสายเทยวดาทาไปที่ไหนไม่ได้ทําบาปทํากล้ำอะไรไว้ก็เอออย่างน้อยก็เป็นมาเป็นลุกขะเทวดาที่เ อ, อได้ปลูกเอาไว้มันก็ดีเหมือ น, นกันน่าออดีกว่าไปตกนรกหมกไหมไปเกิดเป็นหมูหมากาไกาย่ยิ่งทุกข์ใหญออ่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยดี สวยความสุขกินอาหารทิพย์อยู่ทิพย์ต่อไปยังคอยบำเพ็ญทานศีลภาวนามาเกิดเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญหาทางพ้นทุกข์ต่อไปคๆรับว่าเป็นไปพักไปพักยกอยู่จุดนั้นจุดหนึ่งไว้ะดีกว่าจะทะลดลงไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไ้ฉานหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายอ น, านโนตายเกิดมาแล้วมันอยู่ธรรมดาน มาเกิดมาเป็นงูมันก็หิวแล้ก็กินกุญจจตุ์อื่นมาเกิดมาเป็นเสือมันก็หิวกินสัตว์อื่นมันมีแต่เรื่องกรรมเรื่องเวรทั้งนั้นทีเียที่จะเข้ามาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนะพราะฉะนั้นนะการที่รักษาศีลไม่เบียดเบียนซึ่งตนตนเองและผู้อื่น่ะสัตว์อื่นนะมีแต่ความสงบรล่มเย็นเป็นสุขนะเป็นหนทางแห่งความราบรื่นของชีวิตของวิญญาณนั้นๆนะ รันพวกเราให้สั่งสมนะบุญกุศลนะะสรุปแล้วตายแล้วไม่สูญพราะพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วถึงหลวงพ่อจะพูดไปนะที่ใดก็ตามหลวงพ่อยืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านยืนยันอย่างนั้นอลุกขะภูมะเทยวดามีแต่ถ้าเรามียาณทัศนะเราจะเห็นได้ถ้าเราไม่มียานเราตาบอดมันก็ไม่เห็นแหละเหมือนกับเราไม่มีวิทยุเดี๋ยวนี้ ไม่มีวิทยุเครื่องรับเนะี่ยเขาจะเปิดที่ไหนไหนดังย้วยเย้ไปหมดเราก็ไม่ได้ยินเพื่ออะไรเพราะเราไม่มีวิทยุรับฟังฮะอันนี้ก็เหมือนกันใจที่ไม่มียาณทัศนะมันจะมองไม่เห็นหวิญญาณต่างๆสิ่งลึกลับนะแต่ถ้าเรามียานรัศนะแล้วเราจะมองเห็นได้เอออันนั้นภูมินั้นอันนั้นภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้นแต่ละพบแต่ละภูมิเนี่ยอมัน แ, กแตกตกต่างกันฮะเหมือนกับเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ะ เราเกิดมาเป็นมนุษย์ช้างก็เป็นภูมิหนึ่งม้าก็เป็นภูมิหนึ่งวัวก็วกเป็นภูมิหนึ่งควายก็เป็นภูมิหนึ่งหมากาไก่พวกสัตว์แต่ละประเภทเป็นภพภูมิการเป็นอยู่ของเขาอาหารของเขาหมู่พวกเพื่อนของเขาตระกูลของเขามันเป็นภพภูมิของของไขรของเราอย่างนั้นน่ะเทวดาก็เหมือนกันภพภูมิของเทวดามีสูงมีตำ่ำมีทุกข์มียากอานิสงส์ที่ท่านเหล่านั้นบำเพ็ญมาให้พาไปเกิดพรมก็เหมือนกัน่ะ เออพรมก็เหมือนกันมีพรมน้อยพรมใหญ่เหมือนกันนะพรมมีอำนาจพรมเออพรมที่บำเพ็ญญาณที่สูงสง่งมีเออมาหาพรมก็มีว่านะ่ะ เ, เทวดาก็มีเป็นขั้นตอนมีแต่พระนินนะพพานเท่าน่ะพระนิพพานสุ ข, ขวิปัชโกอยู่ในโลกนีะ่มีพระหันอยู่สี่จำพวกนะสุ ข, ขาวิปัชโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตพระหันมีอยู่สี่จำพวกอยู่ในโลกนะ แตมีอํานาจศาสนาต่างกันอยู่ในโลกต่างกันแต่พอเข้าสู่นิพพานแล้วเสมอกันสแตนดาร์ดเพราะงั้นจะเข้าจุดนั้นแล้วสแตนดาร์เดเสมอกันหมดอไม่มีไม่มีสูงไม่มีต่ํเตดาเสมอกันฮพระอรหันต์นะแต่พรมเนี่ยมีมีสูงมีต่ําสวรรค์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะอพวกเราเห็นไหมมนุษย์นะ่อราชามหากษัตรย์ก็มีนายกก็มีรัฐมนตรีก็มีผู้แทนก็มี พ่อค้าประชาชนก็มีแอลญาจกวันนี้พกก็มีนักบวชก็มีพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่ะอล ะ, อะมันแยกกันโดยอัตโนมัติว่า ง, งั้นเถอ ะ, น, ะนี่แหละชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญนําสุขมาให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพียงรักษาศีลเพียงครึ่งวันเท่านั้นก็นยังได้อเ น, นสง์ยังส่งให้เป็นไปเกิดเป็นรุขขเทวดาได้นะ อันรับพรนันตเนีอนโมทนาให้พร